ทั้ง น, นี้ฝนตกฝนตกนี่บางคนก็เดือดร้อนบางคนก็ดีรู้สึกว่าชอบใจถึงตัวเราเองนี่แหละคนเดียวนี่แหละคนเดียวกันเนี่ยบางทีฝนตกก็เดือดร้อนไม่ชอบบางทีฝนตกก็ดีให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีหรอก มันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเราเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามปกติธรรมชาติของเขานี่มันคือโลกโลกมันอยู่ตามภาษาโลกมันเป็นไปตามภาษาตามวิธีการของโลกนะทีนี่ผู้ที่เดือดร้อนน่ะมันเป็นเราผู้ที่ทีใจชอบใจคือเราผู้อื่นเขาอยู่ปกติ อย่างเช่นต้นไม้เนี่ยมันอยู่มันปกติมันก้อนหินมันก็อยปกติงันมันอยู่บนโลกผู้เดือดร้อนทําไมมันถึงเดือดร้อนให้พิจารณาดูนั่งอยู่เฉยเฉยม่เห็นนั่งหลับตากําหนดจิต ด, ดูพิจารณาดูเราเดือดร้อนไหมฝนตกเนี่ยให้พิจารณาดูเอ๊คนอื่นเขาทําไมไม่เดือดร้อนมันเดือดร้อนที่เราเนี่ย แล้วเราจะไปปราบที่ไหนไปปราบผลเลยจะไปปราบผล น, นีล่ไงพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกมันเกิดที่ไหนปราบที่นั่นเด็กทุกเกิดที่ไหนปราบที่นั่นทุกมันเกิดที่ใจเรามันไม่ได้เกิดที่กายเลยตั้าไปกายเนะี่ยมันเป็นส่วนของโลกดีแหละมันไม่ได้เกิดที่กายหรอกเราไม่ว่าเกิดที่กาย ตายนี่มันอยู่ไม่นานหรอกมันไม่เป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบอื่นในที่สุดมันตายมันจะลายอยู่แล้วมันเป็นของแน่ๆอยู่แล้วมันของโลกจริงๆแล้วผู้ที่ทุกเนี่ยมันใจใจเรามันทุกข์ปากมันปรับที่ใจจัดแกงจัดการปรับปรุงที่ใจเราเนี่ยปรับปรุงทีแรกก่อนทำให้มันสงบซะก่อน เนี่ยมันกระสับกระสายเดือดร้อนเรื่องเรื่องคุกเรื่องไม่ชอบเนี่ยปาบมันให้มันอยู่เฉยเฉยได้ไหมอยู่นิ่งๆได้ไหมไม่ต้องไปกระสับกระสายเนี่ยต้องฝึกนะเนี่ยต้องฝึกให้มันอยู่เราไม่รู้้วยตั้าไปว่ามันกระสับกระสายมันเดือดมันร้อนเนี่ยเราไม่รู้้วยตั้มไปนึกว่าไอ้คนไม่ดีพู้ที่ไม่ดีก็คือคนอื่นน่นแหละที่ไม่ดีเนี่ยส่วนเจ้าของไม่ดีอยู่เนี่ยไม่รู้ เจาของใจกระจับกระส่ายอยู่นี้ไม่ดูหรอกให้เราดูตรงนี้ถ้าถ้าไม่ดูนะอย่างที่พูดเนี่ยตายโป่เฝาชาตินี้ไม่เห็นอะไรหรอกเราต้องพยายามกําหนดเข้ามามาจับแกนตบแต่งในใจของเราอยู่เสมอเสมอกับทุกอย่างที่มันมานี่แหละจะเป็นฝนตกฝ น, น, นไม่ตกอากาศร้อนอากาศหนาวอะไรเนี่ยเรามาปรับเรานี่แหละ เรารู้สึกว่ามันเดือดร้อนไหมนี่ถ้าเดือดร้อนเราก็ปรับของเราอยู่ตรงนี้ปับตรงใจนี่ให้มันอยู่นิ่งถ้าใจมันอยู่สงบได้นิ่งได้เนะี่ยมันไม่เดือดร้อนหรอกถ้าใครทํำ ส, สมาธิสุดสมาธิทำสีให้ลงถูงความสงบได้แล้วลองสังเกตดูดิใครจะเป็นอะไรจะล่มจะตายจะดิ้งชักอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนฝนฟ้ามันจะแปรจะเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่เดือดร้อน มันความไม่เดือดร้อนความหายใจความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราสามารถปรับปรุงได้สิงเราเนี้ปรับปรุงได้ใจเราเนี่ยปรับปรุงได้คนเราก็าอีกเนี่ยไม่รู้จักจะปรับปรุงใจจะของจะไปปรับปรุงอะไที่ปรับปรุงไม่ได้จะไปปรับรป ร, บงปปรบุงคนอื่นอย่างเนี้ยน่จะไปทําให้คนอื่นดีเราเห็นว่าคนอื่นก็ไม่ดีจะไปปรับปรุงเขาให้มันดีอย่างเนี้ย นั่นแหละความเบียดเดียนมันยังไปเบียเดเบียนเพราะเหตุอันนี้แหละเจ้าของไม่ดูแลไปดูแลต้นดิแล้วดูแลก็ไม่ใช่สําเร็จนะไปดูแลก็สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นมาสร้างความเบียดร้อนเพิ่มขึ้นมาแผ่กว้างออกไปกไปทั่วโลกเลยไปลบเวลาฆ่าฟันกันทั่วโลกเลยเพราะเหตุอันนี้แหละเรากลับมาดูเจ้าของเสียดีกว่า จุดเล็กๆนี่แหละแต่ทําให้เกิดความหุดความร่วมเย็นเพระจุดเล็กๆนี่แหละกลับมาปรับที่ใจเราแก้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ถือว่าเออมันก็อยู่ปกติขอ ง, งมันอย่างนี้อืแต่เมื่อก่อนเราไม่มามันก็อยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันไม่เห็นเดือดร้อนเลยมันเดือดร้อนเมื่อเรามานี่แหละเมื่อใจของเราเนี่ยมาเกิดเดือดเดร้อนกับมัน เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่ามันเกิดเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนข้างนอกหรอกนะมันเดือดร้อนอยู่ในใจนี่ใจเรานี่แหละที่มันมาเนี่ยถ้าเผื่ใจมันไม่อยู่ตรงนี้มันไม่มาตรงนี้แล้วมันไม่มาประสบอันนี้อันนี้มันก็ยังเดินเนินไปอยู่เนี่ยฝนตกเนี่ยถึงเราจะเดือดร้อนมันก็ตกอยู่อย่างนี้บางคนก็ชอบชาวนาก็คนไม้คนไร่มันชอบ เรานี่เหมือนกันเนะี่ะบางทีเราร้อนร้อนอยู่เออฝนตกมานี่ดีเย็นดีนั่นมันเพราะอะไรล่ะฝนมันก็ตกอยู่ตลอดอย่างนี้แหละแต่ใจเราร้อนบางทีใจเราเดือดเราเดือดร้อนเราทุกข์บางทีทําไมใจไม่ใจถึงไม่ทุกข์บางทีทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงไม่ทุกข์เนี่ยแหละถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วสังเกตจะเห็นเนี่ยหัดนะหัดทําใจให้สงบ ไม่ต้องเลือกหรอบเวลามานั่งอย่างนี้ดีนุ้งไม่ได้ทำอะไรอนี่มานั่งอยูน่นี่หลับตาเที่ยงแล้วก็สนกจิดเที่ยงจะเป็นเท่านั้น